เราก็ได้สวดบทธรรมจักเรียกว่าเป็นบทแรกนะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสอนนะสอนปัจจวัคีนะแต่ที่จริงก็มีเทวดามารพรมแอบฟังด้วยเพราอท้าได้แอบฟังด้วยก็ <c oughs> ยจะไม่รู้นะว่า อัญญาโกธัญญาท่านได้บรรลุธรรมแล้วนะเทวดามารพนะ์ต่างๆก็ก็สรรเสริญนะอนุโมทนาสาธนะุที่พอัญญาโกธัญญาท่านได้รู้ธรรมไปด้วยนะแสดงว่าที่จริงก็เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งแต่ตอนท่าน เข้าสู่ในคันนะตอนประสูตรนะตอนออกบวชตอนบรรลุธรรมนะก็จะเห็นว่าก็จะมีเนะี่ยเราเท ว, วดามารพรมอะไรต่างๆคือเป็นภพภูมินะภพภูมิต่างๆที่ที่ด้วยตาเนื้อของเราไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ว่าท่านอยู่ที่ไหนบ้างนะ แต่ถ้าเราเห็นว่าในพุทธประวัติต่างๆหรือในพระไตรปิฎกต่าง ๆ, ๆก็จะกล่าวถึงเนี่ยกล่าวถึงภพภูมิเหล่านี้อยู่เป็นประจำก็เป็นการคล้ายๆย้ำเตือนว่าภพภูมิเหล่านี้นมีนกนะถะท่านเหล่านี้ยก็อยู่แวดล้อมพวกเราเนี่ยแหละนะตลอดเวลานั่นแหละนะ เวลาทีนะ่เวลาที่เราทำดีเวลาที่มีผู้บรรลุธรรมนะภพภูมิเหล่านี้ก็ก็สันเิริญก็อนุโมทนานะแต่ขนาดเดียวกันนะถ้าเราประพฤติไม่ดีนะเช่นในสมัยพุทธกาลมีพิสุประพฤติไม่ดีนะภนะพภูมิเหล่านี้ก็เหมือนคล้าย ก็ไม่ปกปักรักษาหรือบางทีนะบางภพภูมิก็เบียดเบียนนะเบียดเบี ย, บยนะทำให้อยู่ไม่ได้นะทำให้เดือดร้อนนะอันนี้ก็มันเป็นมันก็เป็นเรื่องที่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีเคนะยได้ยินเรื่องเล่านะในในวัด น้องป่พงนะในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนที่หลวงพ่อชาท่านอยู่นะท่านก็ตั้งใจตั้งใจสอนตั้งใจอบรมนะทั้งพระทั้งโยมนะก็มีเรื่องเล่าว่ามันถ้ากุติไหนนะกุติไหนนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็น โยมมาจูปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความขี้เกียจที้คานนะก็จะมีคล้ายๆเขาก็ว่ากันนะเหมือนมีผีมาดึงขานะมาก่อกวนนะอยู่เป็นประจำในตอนกลางคืนนะแต่ถ้านะกุติในนะตั้งใจปฏิบัติธรรมดีตั้งใจรักษาศีลดีเนี่ยก็จะไม่มีสิ่งนี้มาก่อกวนนะแต่ถ้า คนไหนนะไม่ตั้งใจปฏิบัตินะสิ่งเหล่านี้ก็มาก่อกวนก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าดือกันนะในในสมัยก่อนว่าเออเนี่ยคล้ายมีเจ้าที่นะเจ้าที่เขาเขา เ, เขาพอใจนะถ้าเราอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเจ้าที่เขาไม่พอใจนะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรเนงะี้ยหรือถ้าเราเคยอ่าน ประวัตินะสมัยครูบาอาจารย์ท่านทุดงนะโดยเฉพาะอย่างเช่นหลวงปู่มั่นนะเวลาท่านไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในป่านนะบางทีก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าที่นะเป็นยักษ์บ้างนะเป็นผีบ้างนะเป็นลุคเทวดาบ้างนะนะเป็นพวกอมนุษย์บ้างนะพวกนี้ก็ เขาก็จะมีที่สิ่งสถิตของเขาอยู่นะบางบางตนบางตัวก็ก็เนะ่ยเรียกว่าก็ช่วยเหลือหรือว่าเตื้อกูนดีแต่บางตนบางตัวก็ด้วยความกลัวด้วยความโกรธด้วยอะไรต่างๆก็คอยกันแกล้งนะกันแกล้งหรือว่าก่อกวนบ้างนะี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆเหมือนคนเรานาะ ก็มีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีนะมีคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีคนที่คอยกันแกล้งหรือว่าก่อกวนคนอื่นบ้างนควนะบภูมเรื่อนี้ก็ก็เหมือนกันนะเนะ่ยบางทีฟาดทุ่ทดดงไปนะเนะี่ยอยู่ในถ้ำอยู่ในที่อะไรก็เขาก็อาจจะมาทดลองมาลองภูมิเนะี่ยหรือเขาอาจจะลองสังเกตดูเนะี่ย สังเกตดูว่ า, าเจ้าที่ไม่ใช่ผู้ที่มาอยู่ใหม่นะมาด้วยอุปกรณ์ใส่ ย, ยังไงนะถ้าถ้ามาอยู่ดีก็อาจจะไม่ทำอันตรายนะถ้ามาอยู่ไม่ดีเขาก็อาจจะก่อกวรหรือว่าไม่ให้อยู่สมัยก่อนเวลาอุปบ า, ารยาท่านเจะาทูตตรงนะท่านก็จะย้ำตบลุกศิษยให้หนักแน่นว่าเนี่ย เรื่องศีลเนีน่ยเรื่องข้อวัดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญนะเนเพราะว่าเราไปอยู่ในที่ต่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ้าที่หรือว่าพระภูมิต่างเขาเขาเป็นอย่างไรเนาะแต่ถ้าเรารักษาศีลของเราให้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์เนี่ยเนมันก็จะไม่เกิดความด่างพร้อยไม่ให้คนคนอื่นหรือว่าให้สิ่งอื่นเขา มาก่อกวนได้ก็คือว่าให้มีศีลเป็นเครื่องรักษานะนะรักษาไม่ให้พภูมิอื่นมาก่อกวนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่จริงก็ศีลมันก็รักษาใจให้ให้ปกติให้สะอาดด้วยแหละนะมันก็ทั้งรักษาตัวแล้วก็รักษาอันตรายต่างๆไม่ให้มาเบียดเบียนด้วย นี่ก็เป็นสิ่งที่อสมัยก่อนก็มีนะผมก็เชื่อว่าสมัยนี้ออก็ก็ย่อ ม, มีเหมือนกันนแะ น, นะแต่เพียงแต่ ว, ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เรากระทำนะแต่ก็ให้เราคล้ายๆพึงระวังสารวมนะไว้ว่าอในการกระทําของเราน น, นั้นๆนะ่ะมันก็ มันไม่ใช่มีแต่นะมนุษย์เท่านั้นที่เห็นกันนะอเราทําดีก็มีคนอื่นที่เห็นนะก็สรรเสริญเยนยอเราทําไม่ดีก็จะมีคนอื่นที่เห็นเหมือนกันนะเออเขาก็อาจจะตาหนิหรือว่านอ่อก่กวนเราได้อันนี้คือเรื่องที่เรียกว่าเราก็ต้อง สัมรวมระวังเนาะแต่อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของกรรมนั่นแหล ะ, ะเพราะกรรมมันก็มันก็เป็นสิ่งที่มันจดจำเนาะไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็ น, นแต่การกระทำนั้นนั้นมันก็ย่อมเป็นไฟเป็นไ ป, น เ, ป, นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราทำกรรมดีก็เป็นเหตุปนัจจัยในการไปสู่สิ่งดีๆ เราทำกรรมไม่ดีก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะเราทำกรรมฐานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สู่นะความพ้นออกจากความทุกข์นะความเข้าใจความจริงของธรรมชาตินะซึ่งสิ่งต่างๆเนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าจะมีใครเห็นหรือไม่มีใครเห็นนะแต่ตัวเราเองก็เห็นนะหรือว่า บางทีก็มีภพภูมิอื่นที่เขาก็เห็นเขาก็รู้นะ่ะอันนี้คือบางทีคนคนข้างนอกนะคนทีน่คนที่ไม่สนใจธรรมะไม่ศึกษาธรรมะนะ่ะเวลาก็จะไม่ค่อยระอายในสิ่งที่ทำชั่วถ้าไม่ถ้าเป็นที่รับหูรับตาผู้คนนะ่ะก็จะไม่เกิดความระอายใจก็คิดว่าทำได้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะ่ะ แต่ถ้าอยู่ในที่ที่มีคนเห็นคนรู้ก็อาจจะทำตัวเป็นคนดีทำตัวน้าทรัทธาแต่พออยู่รับลังคนอื่นอาจจะไม่ทำเช่นนั้นก็ได้อันนี้คือคนที่เรียกว่าเหมือนที่เราได้สวนนะเขาเรียกปุตุชนปุตุชนคือคือคนหนาหรือว่าคนด้านด้านในแง่ใดด้านในการที่ ไม่ละอายความชั่วนะไม่กลัวบาป ก, กรรมนะไม่กลัวผลของกรรมที่มันจะตามมานะอันนี้เรียกว่าปุถุชนแล้วก็มีใจที่ใฝ่ในฝะ่ในการหมกมุ่นในในกรรมคุณต่างๆนะซึ่งเราก็ได้สวด น, นะนะพระอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นของไม่ไม่ของต่ำทรามมันะมเป็นของชาวบ้านนะ มันเป็นของที่ไม่ใช่เหมาะกับนะผู้ประพฤติทำรรนะอันนี้อุตุชนก็ก็เป็นเช่นนั้นนะแต่เรากำลังฝึกฝนตนเนาะให้เป็นเรียกว่าเป็นอริยชนนะอริยชนก็คืออะไรนะเราละกามเสียนะพยายามละกามเสียนะถ้าจะคิดก็คิดในการไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้าย ต่ผู้อื่นเนี่ยเราก็มาพิจารณาดูดูตัวเราแบบนี้แหละว่า ừ, ในแต่เราวันในแต่ละนั้นเราเราได้เบียดเบียนคน อ, อื่นไหมนะถ้าเราไม่ได้เบียดเบียนใครนะโดยคำพูดโดยการกระทาแล้วมันก็ก็ถือว่าเราก็เนี่ยสบายใจได้แล้วเนา ะ, นะในชีวิตของเรา โดยคำพูดโดยการกระทำไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นนะยิ่งถ้าโดยความคิดนะไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครคิดแต่จะช่วยเหลือคนอื่นนะตามเหตุตามปัจจัยที่ทำได้นะนะหรือว่าถ้ามันเกิดความคิดไม่ดีเราก็ละมันได้นะเราก็เรียกว่าหรือบางทีมันละตัดไม่ได้เสียทีเดียวนะมันยังมีสมาธิมีหรือว่ามีขันติคอยอดทนอดกลั้นไว้นะมันก็ดีนะ เนี่ย่ชีวิตเนี่ยชีวิตนักบวชหรือชีวิตผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนพื้นฐานที่ทสำคัญคือการที่เรียกว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นเ น, ะนาะออย่างที่การรักษาศีลก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดจุดมุ่งหมา ย, ยาจริงๆก็คือการไม่เบียดเปียนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะั่นแหละ เรามีศินนะเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเมื่อเรามีศินแล้วนะความรู้สึกนิสิต่างๆมันก็ไม่เบียดเบียนตัวเองเหมือนกันก็นกคือว่าเกิดความสบายใจนะเกิดความบอิสุทธิ์ใจว่าเออเราไม่ได้เรามีชีวิตอยู่แบบไม่เบียดเบียนคนอื่นเนาะนะ การที่เรารู้สึกแบบนั้นก็คือการไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยนะไม่ทําให้เกิดความเศร้าหมองในจิตใจวันนี้แหละมันมันคือสิ่งที่ถ้าเรามีสติเนาะเราก็จะรู้ทันนะรู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกเนะีนะ่ยเราก็รู้ตัวเองเราแหละว่าเราเบียดเบียนใครหรือเปล่านะเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ บางทีคนอื่นเขาอาจจะสังเกตรเราจากภายนอกนะเขาอาจจะเข้าใ จ, จิีแบบหนึ่งนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกนะเราก็จะไปอดเกตรตอะไรเขาก็ธรรมชาติในโลกนี้ก็มีคนเข้าใจเราถูกมีคนเข้าใจเราผิดนะมีคนพอใจนะคุ้นเคยกับเรามีคนไม่พอใจไม่คุ้นเคยกับเรานะ ตามอัธยาศัยตั้งแต่เราคนไปมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ห้ามไม่ได้นอกเ น, นมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนเฉยนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยที่ที่ก็แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่สำคัญที่เราพิจ า, า, ารณาก็คืออหละเออถ้าเราพิจารณาตัวเองว่าเราไม่ไปสร้างความเบียดเบียนให้กับผู้อื่นแล้วนะ หรือว่าถ้ามีอะไรที่เราช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะหรือเราทำกิจที่สมควรทำในในหน้าที่การงานของเราแล้วเนะี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเราภูมิใจได้เนาะเราภูมิใจได้ในชีวิตของเราเองนะว่าได้ทำเช่นนี้เนะี่ น, นี้คือมันก็ไม่ต้องเกิดความละอายแยใจหรือว่านะเกิดความรู้สึก นะเพราะว่าความรู้สึกจิตหรือความร่ายใจใจเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นตัวตัวเหนียวรั้งเนาะในการประพฤติทำค่อนข้างมากเลยนะถ้าเรายังละสิ่งต่างๆพวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันมันจะติดเนาะถ้าในแบบภาษาแบบพว ก, พวกแนวจิตวิทยานะเขาก็เหมือนเป็นมันเป็นจิตแบบ มันมจิตสำนึกนะที่มันไปรู้สึกนะรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะมันก็เลยเกิดเป็นอย่างคนมีปัญหาเรื่องกยกับกจิตเวทต่างๆมันก็ก็เพราะติตในปมหรือจะเรียกว่าเป็นปมในจิตก็ได้นะแต่การภาวนาเนี่ยมันจะค่อยๆนะลดละนะหรือว่าถอนนะถอนว่า ความรู้สึกพวกเนี้ยมันก็เป็นถ้าเราดูดีๆนะมันก็มันเป็นเพียงแค่อารมณ์มเป็นเพียงแค่อาการนะไม่ต้องไปอาศัยยาอาศัยกนจะิตบาบัดมาบำบัดก็ได้นะแต่เราสามารถบำบัด ต, ตัวเราเองได้นะเมื่อใดที่เกิดความรู้สึกผิดนะเมื่อใดที่เกิดความคิดไม่ดีเมื่อใดที่มันรู้สึกย้อนไปเห็นการกระทำที่ไม่ดีกับตัวเองเนะี่ย มันก็จะล้างได้นะล้างในการที่เห็นแล้วอย่าเข้าไปพรุงแต่งต่อนะเพราะว่าที่จริงทุกคนก็เคยอาจจะเคยทำไม่ดีมาทั้งนั้นแหละนะลว่าทากรรมฐานเนี่ยมันบางทีมันก็จะย้อนกลับไปเห็นเห็นความไม่ดีนะที่เราเคยกระทํากับคนอื่นนะตรงตอนที่เราไม่รู้นะตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ เือทำไม่ดีกับพ่อกับแมนะ่กับเพื่อนกับสัตว์กับอะไรก็แล้วแต่โอ้มันก็เหมือนถ้าเราเห็นแล้วก็เหมือนบางคนก็ถ้าไม่ทันตัวเองก็เกิดความแบบเสียใจนะเกิดความเรียกว่าทุกข์ใจเนาะนะนะบางทีได้ยินได้ฟังค น, คนทำกรกรมาฐานบางที่ี่แหละ พอไปเจออารมณ์พวกนี้ยะนะไปดุดไปดุดกับมันเลยนะร้องไห้นะหรือว่าแบบเกิดนิมิตภาพคงปฏิบัติแล้วก็อาจจะเห็นนิมิตภาพเคยฆ่าสัตว์เคยทำร้ายผู้อื่นนะก็เกิดความเกิดอาการหลงไปนะเป็นเป็นร้องเป็นค่คขวนอะไรต่างๆคน อ, อื่นเขาก็ว่าเป็นการแก้กรรมนะเป็นการใช้กรรม แต่จริงถ้าในเทิงส ต, ติประธานนะก็คือก็บ่งไปกับอาการอารมณ์พวกนั้นเนาะนะแต่มันก็อาจเป็นการช่วยให้เขารู้สึกสบายใจถ้าได้ถ้าได้ร้องได้ไรแล้วอาจจะสบายใจขึ้นแต่ที่จริงมันอาจจะแก้ไม่ทั้งหมดหรอกเพราะว่าแต่การที่เรามีสติเนี่ยมันบางทีปฏิบัติก็จะเห็นอารมณ์พวกนี้นมันเวียนเข้ามานะอารมณ์ไม่ดีที่เวียนเข้ามามันจอนเข้ามานะ เราก็เห็นเราก็เออเราก็เรียกว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันแทนเนาะนะเพราะว่าสติมันจะดึงปัญญาเอามาเป็นคู่กันว่าเอออดีตก็ผ่านไปแล้วนะออะไรที่มันผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้ก็วางมันเสียนะมันสติมันก็จะดึงดึงปัญญามามาเตือนนะเอามาวางนะความคิดความรู้สึกที่มัน ไม่ดีที่มันย้อนนะ่ะขึ้นมาในจิตมันก็มันก็จะวางเสียนะมันก็จะวางได้นะแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องผ่านอารมณ์พนะี้อารมณ์ที่มันเจอเรื่องราวพวกนี้เนนะี่ยถ้าเราผ่านได้ด้วยสติเนะี่ยผมว่ามันก็เป็นตัวที่ที่แบบคล้ายๆน่าจะแก้แก้เหตุได้จริงๆนะเหตุก็คือการที่ ไม่ไปย้มคิดย้ำทำในการกระทําในอดีตต่างๆมันก็จะเป็นการแก้แก้ที่เหตุเเหตุที่ลงไปคิดอีกเหตุที่ลงไปทุกข์อีกเนี่ยเพราะว่าเราเราเผลอไปคิดเราเผลอไปอินกับอารมณ์นั้นๆเราก็มาแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้เลยนอน า, าคตเองก็เหมือนกันกน็ อย่างที่พูดไปเมู่บานว่าเออเราก็ลองอยู่แบบไม่มีอนาคตก็ดีเนาะไ อ, อนคนแบบไม่ต้องมีอนาคตแผนการอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่มันเอาแน่เอาอไม่ได้เนาะออก็ทำปัจจุบันให้ดีหรือว่าถ้าจะมีแผนก็มีแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆเนาะมันจะเอาจริงอาจังมากไม่ได้หรอกนะ มันก็เป็นเรื่องสมมุตนะินะ่ะหรืออนาคตยิ่งถ้าเป็นความรีตกกังบนต่างๆเนี่ยยิ่งต้องตัดไปก่อนเลยนะมันมาทุกข์ร่วงหน้าทำไมนะมาเสียใจร้องไห้ร่วงหน้าทำไมมากลัวร่วงหน้าทำไมนะมันเป็นเรื่องอนาคตจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็ไม่รู้นะีนะ่เราก็อยู่แบบอยู่ในปัจจุบันนะ แต่อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ติดกับปัจจุบันนะอารมณ์สุขก็สุขกับมันอารมณ์ทุกข์ก็ทุกข์กับมันอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะอนนี้เรียกว่าไปหลงในะปัจจุบันนะบางคนเคยเคยเคยมีคนถามนะบางทนะีมันอาจจะด้วยภาษาที่มันอาจจะสื่อสารแล้วมันทําให้เกิดความคิดแบบนั้นนะแล้วนเะขาก็าถามวนะ่าอยู่กับปัจจุบันคือเช่น ตอนดีใจก็อยู่กับความดีใจใช่ไหมนะตอนเสียใจก็อยู่กับความเสียใจใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่นะักอันนั้นอันนั้นได้ s <S <mini> <t iny> ไปอยู่กับอารมณ์นะไม่ใช่ไปอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับความเป็นปกตินะนะถ้าเราเข้าใจคืออยู่กับความเป็นปกติในปัจจุบันนะหรืออยู่กับการรู้ทันสิ่งที่กําลังทําในปัจจุบันเช่นะ on, ยืนเดินนั่งนอนนะ นะร่างกายทำอะไรเนี่ยเรารู้ทันนะเรารู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เนะนี้ยเนี้ยเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะเนะี่แต่ก็รู้แบบก็ต้องรู้แบบเรียกว่าไม่ไปจดจ้องแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะเนี่เป็นะปการรู้ตัวทั่วพร้อมนะอาจจะมีความชัดในรียบ ท, ที่ทำนะเดินก็อาจจะชัดที่ที่ขาที่เท้านะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สิ่งอื่นนะ ไม่รับรู้ร่างกายโค้งร่างกายไหวนะนะยังรับรู้เสียงยังเห็นสิ่งต่างๆเป็นปกติอยู่อันนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะแต่ถ้าบางทีสมาธิเรามากไปนะอาจจะไปเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งนะเพ่งการเดินเพ่งการยกมือหรือเพ่งการงานนะแล้วสิ่งต่างๆรอบข้าง ไม่รับรู้ไม่สนใจเลยอันนี้ก็เรียกว่าเราไปจมกับปัจจุบันนะ เ, เราไปจมกับสิ่งที่ทํามากเกินไปมนะันเป็นสมาธิมากเกินไปก็ต้องรู้ตัวนะก็ต้องถอนออกมานะถอยออกมาสักหน่อยนะเนี่ยกาว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมัน ก, มนก็มันก็เป็นสภาวะธรรมที่เราก็ต้องสังเกตนะสังเกตว่าเออ อ่ที่พระท่านสอนเนี่ยทางสุดตรงนะนอกจากฝุดตรงทั้งสองทางนะการไม่หมกมุ่นด้วยกรรมคุณหรือการไม่บังคับเนี่ยทรมานตนให้ํำบากแต่จริงทางสุดตรงจริงๆก็คือทางในใจของเราเนี่แหละแต่ทำไงที่เรารู้ตัวแบบรู้ถุกตัวด้วยความพอดีจริงๆ รู้สึกแล้วไม่ไปอินไปเพ่งกับมันนะควารู้สึกแล้วไม่แค่ไม่คล้ายๆไม่ฟุ้งแล้วก็ลอยไปเดยไม่เท่าทันนะมันมีภาษาหนึ่งที่ตอนดังๆจะมีคนมาถามเนี่ยนะนะนะเพราะบางคนเคยได้ยินได้ฟังของอาจารย์ปามโมดนะเวลาท่านทักลูกศิษย์บางคนบอกวนะ่า จิตไม่อยู่กับฐานอก็บางคนก็จะสงสัยจิตไม่อยู่กับฐานคืออะไรน่อยก็เคยมาถามผมหลายครั้งเยอะแล้เนี่ยจิตไม่อยู่กับฐานก็คือเนี่ยจิตมันไม่จิตมันไม่รู้สึกตัวนี่แหละนะถ้าภาษาพวกเราะมันไม่มีฐานที่อยู่ไม่มีกรรมฐานเช่นไม่ไม่มันไม่ได้รู้ถึงกายที่กระลั่ง ทำอยู่ในปัจจุบันนะอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามันไม่รู้ทันจิตใจเนี่ยเมื่อจิตใจมันกะเดิดไปมันก็ไหลไปกับอารมณ์น่ะมันไม่มีที่กลับมานะเรียกว่าไม่มีกรรมฐานก็ได้นะนี่เรียกว่าจิตมันไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งนี่แหละเนะทีมันก็ต้องเป็นความเนี่ยระหว่างเนี่ยจิตมันไม่มีฐานก็คือไหลเนี่ยไหลไปกับสิ่งที่ ที่เกิดขึ้นแต่มันก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไปเกาะฐานมากเกินไปมันไปจับมากเกินไปมันเหมือนคล้ายๆเราเดินใต่สะพานเนาะมาจจะมีราวสะพานถ้าเราไปเกาะราวสะพานเสแน่นเนี่ยเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเกรงเกิดความกลัวนะก็ทําให้เดินไม่ค่อยสะดวกเนะี่ยก็เดินด้วยความแบบ กลัวกลัวจะตกสะพานกลัวจะหกล้มนะที่จริงกรรมฐานนะมันก็เหมือนกับราวสะพานนะมันก็คือจับเป็นเหมือนเป็นประคองไปประคองไปประคองไปนะให้เราได้มีเครื่องเครื่องอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไปยึดมันแน่นจนกทังเกิดความเกงเกิดความกลัวนะแต่ถ้าปล่อยเลยนะถ้ากรรมฐานยังไม่ดีนะ จิตยังไม่ค้นเนี่ยมันก็จะฟุ้งไปกับอารมณ์หรือว่าไปอินกับอารมณ์ง่ายๆเนีน่ยมันก็ต้องเป็นความเพียรที่ชอบแล้วก็รู้ทันจิตนในการเดินทางที่ทําไงไม่ให้เผลอไม่ให้เท่งเนีเ่ยเกิดความเป็นกลางเท่านั้นนแต่ขณะที่ปฏิบัติทำทจริงๆแล้วมันอาจจะมีอารมณ์พิ่มนั้นแหละแต่มันก็เหมือนเราก็เรียนรู้ให้ทันมาเร็วๆนาะ ส ต, ติคือการที่จริงก็รู้สิ่งที่ผิดเนะมื่อรู้ว่าผิดนะมันจะกลับมาเป็นปกติเองเนาะเราไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปกลัวความผิดนะถ้ายิ่งกลัวบางิีมันจะกลายเป็นการเพ่งเป็นการประคองนะไม่ต้องกลัวมันนะปล่อยมันเป็นธรรมชาตินะปล่อยเป็นธรรมดานะเผลอไปแล้วก็ค่อยรู้เผลอไปแล้วก็ค่อยรู้นะอย่าไปบังคับมันนะ แต่เพียงแค่คอยรู้มันเร็วๆนะนะอย่าไปไหลไปนานนะแต่ไม่ค่อยไปคอยจ้องดูมันนะบางทีเราอยากจะรู้เร็วเ ร, วเ ร, วเรวเาก็จะไปส่งจิตไปเหมือนไปคอยดูมันไปคอยจ้องมันเมื่อไหรมันจะเผลอจะตะคุกทันทีอะไร น, นะไม่เอาแบบนั้นเนาะเราแบบให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาพอมันเผลอไปแล้วค่อยๆเลื่อนตึกรู้ร่นะ ตอนไหนไม่เผล่นะ่ะก็มีกรรมฐานกายเนะของเราเนี่แหละนะเป็นที่ตั้งไวนะ้เมื่อมันมีที่ตั้งความเผลอมันจะสั้นนะมันจะน้อยตรงไปของมันเองเนาะนั้นสิ่งสาคัญคือต้องมีกรรมฐานนะเป็นเครื่องอยู่ไว้เนะรีออยน่ากภาษาจางปะโม่ที่บอกว่านะเรียกว่าให้จิตมันมีฐานนะ ก็คือให้มีกรรมฐานทั้งอย่างหนึ่งนีแหละนะให้เป็นเครื่องและลึกรู้อยู่เสมอนะเมื่อจิตมันออกไปจากฐานก็คือเมื่อจิตมันมันไหลไปกับอารมณ์หรือว่ามันดื้ตัวเ้วก็คอยรู้มันนะเมื่อมันรู้มันมันจะกลับมาหาฐานของมันเองคล้ายๆเหมือนกับเรามีบ้านสมัย่อยมีบ้าน เราออกไปไหนเราก็รู้ว่าสุดท้ายเราต้องกลับบ้านนะนะหรือว่าเราเดินทางนะนะเราก็รู้ว่าเรากำลังอยู่ในทางเมื่อไรที่หลงทางเราก็พยายามกลับมาหาทางที่ถูกให้ได้นะจิตก็เหมือนกันนะจิตขณะที่เดินทางก็คือกลับมาหานะหาทางที่เราต้องเดินให้ถูกนะกลับมาหาฐานให้ได้นี่แหละคือสิ่ง ที่สำคัญที่สุดนะของการการประพฤติปฏิบัติธรรมน่นะไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะวิธีไหนก็แล้วแต่มันคือการดำเนินคนจิตน่ะที่ไม่ติดในความหลงนะที่ไม่เผลอไปกับความคิดความทุกข์ต่างๆนะจะอดีต ก, ก็ตามจะอนาคตก็ตามน่ะหรือแม้แต่ปัจจุบันก็ตามน่ะ ก็เพียงแค่รู้แล้วก็วางนะเป็นการรู้แบบไม่ยึดติดเนะนี่ยเนี่ยเราก็ทำตรงนี้แหละเนะคนอื่นจะรู้จากเราคนอื่นจะสนัเสนุน เ, ร, เราคนอื่นจะอะไรกับเราก็ไม่สําคัญเท่ากับเรารู้ตัวของเราเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะข้างนอกมันก็เป็นเพียงแค่เหตุเป็นตัจใจนะแต่ถ้าเราจะรู้ ด, ดูตัวเราเองเป็นหลักแล้ว อ, อถ้าเรานะ วหว้ตัวเองได้เคารพตัวเองได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สําควรแล้วนะคนอื่นจะไว้เนี่ยจะอะไรกับเรายัางไรก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญหลอกนะมันเป็นเรื่องที่เรากลับมาดูตัวเราเองนี่แหละนะหรือการที่เราไปดูคนอื่นเราก็จะไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเนะี่ยเพราะบางทีสิ่งที่เราเห็นมันก็อาจจะเป็นความคิดของเราเป็นอคติของเราก็ได้นะอาจจะถูก อาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกก็เป็นเรื่องของเขาผิดก็เป็นเรื่องของเขาเรากลับมาดูตัวเราที่เราไปดูคนอื่นดีกว่าอันนี้ก็คือการภาวนาเหมือนกันนะการภาวนาเราก็เห็นแต่เราก็จะไปเชื่อความคิดจะ่ไปเชื่อความรู้สึกของเราทั้งหมดบางทีเรื่องของคนอื่นเราไม่ได้รู้จริงๆหลักนะ แต่เราจะรู้ได้ในตัวของเราเองนะเราก็ดูตัวเองเนี่แหละการปฏิบัติทำให้เน้นที่การดูตัวเองนะอปรับคุงตัวเองแก้ไขตัวเองนะแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น น, ะ น, นี่แหละนี่ก็ถือว่าเรานะทำหน้าทีนะ่หรือว่าเรามีชีวิตที่นะถูกทางแล้วนะหรือว่า แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจะอยู่ที่นนอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่ที่อื่นก็ดีนะก็ทำได้ทั้งนั้นนะปรกปากไว้